จุดที่มักเผลอหรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพานเรื่องที่หนึ่งความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นกระบวนการทําฝ่ายก่อทุกข์อาจเรียกชื่อตามองค์ธรรมที่เป็นตัวการสําคัญว่ากระบวนการทําฝ่ายอภิชาและตัณหาส่วนกระบวนการทําฝ่ายดับทุกข์ก็อาจเรียกชื่อตามองรรมค์คครงธรรมที่สําคัญว่า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 พูดอย่างภาษาง่ายๆว่าแม้จะเลิกวาดภาพตัวกูแล้วแต่ความรู้สึกที่ฝังลึกว่านี่กูนี่ของกูก็ยังล้างไม่หมดตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่พอจะเห็นได้ง่ายในเรื่องนี้เช่นความประมาและความกลัวคนที่ประมาบางคนทั้งที่โดยเหตุผลก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจะประมาก็อดประมาไม่ได้บางทีถึงกับโกรธว่าตนเอง